อาทิที่แล้วมีคนส่งของมาให้ตา ม, มาไม่เคยได้รับของแบบนี้มาก่อนนะตั้งแต่บวชมาเนี่ยเป็นพระนี่ก็มีคนส่งมีคนถวายอะไรมากมายนะแต่ว่าไม่เคยเจอของแบบนี้นะคือเขาส่งลอตเตอรี่นะสลากกินแบ่งรัฐบาล มาให้ตามาแต่ไม่ใช่งวดนี้นะเป็นงวดก่อนๆย้อนถอยหลังไปนะถึงปีหกสองเลยทีเดียวแล้วก็มีหลายร้อยใบยนะหลายร้อยใบยถ้าคิดเป็นเงินนี่ก็เป็นหมื่นนะนะก็แปลกใจนะว่าเขาส่งมาทำไมอ า, อาจจะเป็นเพราะว่า ไม่รู้จะทิ้งที่ไหนหรือกำจัดอย่างไรก็เลยส่งมาที่พระนะก็มีหลายคนนะเวลาไม่รู้ว่าจะกำจัดหรือทิ้งของบางสิ่งอย่างไรเนี่ยก็ส่งมาที่วัดแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นประเพสานพระภูมินะเพสานพระภูมิ หรือว่ า, าพระพุทธรูปที่แตกหัก น, นี่ก็เป็นธรรมเนียมคนไทยนะว่าถ้าจะไปทิ้งที่อื่นเนี่ยใส่ถังขยะนี่มันไม่เหมาะก็เลยนํามาไว้ที่วัดเพราะถือว่าวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะกับสิ่งเหล่านั้นแต่พระลอตเตอรี่นี่นะมันต่างจากสาพ ร, ระภูมิต่างจากพระพุทธรูปนะ มันไม่ได้เป็นของที่สูงส่งอะไรเลยที่จริงมันก็เป็นตัวแทงเอาใบยมุกนะที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทิ้งถ้าจะกําจัดนะก็ไม่ยากนะทิ้งลงถังขยะไปเลยและที่จริงก็ควรจะทิ้งตั้งแต่ใบแรกๆ แ, แล้วไม่ใช่มาเก็บสะสมเป็นร้อยซึ่งก็ไม่ทราบว่าเก็บไปทําไมไม่มีประโยชน์ หรือว่าจะเป็นเพราะว่าที่ส่งมาเพื่อแก้เคล็ด ก, ก็ได้เพราะว่ารถเตลีที่ส่งมามันก็ล้วนแต่เป็นใบที่ไม่ถูกนะเพราะถ้าถูกก็คงจะไม่ส่งมาให้ตำมาคงจะเอาไปขึ้นกันแล้วรถเตลีที่ไม่ถูกเนี่ยนะมันมีเยอะนะเป็นหลายร้อยใบยหมดเงินไปเป็นหมื่นก็นะคิดว่าเนี่ยนะถ้าส่งมาที่วัดเป็นการแก้เคล็ดต่อไป ก็อาจจะถูกลอตเตอรี่ก็ได้อาจจะเริ่มตั้งแต่ ง, งวด น, น, นี้เลยนะอันนี้ก็เป็นวันที่16ด้วยนะลอตเตอรี่ออกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ถ้าจะให้ดีนะส่งมาให้ตมาเนี่ยอย่าเพียงแค่คิดจะกําจัดลอตเตอรี่ไม่ให้มันรกบ้านแต่ควรจะตั้งใจเลยนะที่จะกําจัด ความยึดติดนะความหลงในลอตเตอรี่หรือความติดอบายมุกประเภทนี้อันทักที่แบบนี้ดีนะตั้งใจว่าเนี่ยอันนี้สายติดลอตเตอรี่นี่มันสร้างความทุกข์ทั้งกายทั้งใจสร้างภาระเรื่องเงินทองใช้ใจ่ายโดยไม่มีประโยชน์เห็นโทษของลอตเตอรี่นะบางคนนี่ซื้อนี่ งวดหนึ่งนี่ก็เป็นพันเป็นหมื่นนะแล้วก็ไม่ถูกไม่มีเงินซื้อก็ไปกู้นี่ยืมสินเข้ามานะบางทีก็เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทขัดแย้งกับคนในบ้านซึ่งเขาไม่เห็นด้วยเขาเห็นว่าเป็นการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยบางทีลูกไม่มีค่าเรียนนะเพราะว่าพ่อแม่นี่เอาเงินนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ ไม่มีค่าเรียนไม่มีค่าเทอมให้แบบนี้ก็เกิดขึ้นหลายครอบครัวนะเมื่อรู้เมื่อเห็นโทษนะของนิสัยนี้เนี่ยหรือพฤติกรรมเนี่ยตั้งจิตว่าเนี่ยต่อไปนี้ฉันจะเลิกแล้วนะฉันจะสลัดทิ้งนิสัยพฤติกรรมที่ว่า อย่งเงี้ยส่งมาที่วัดเนี่ยได้บางทีวัดนี่หรือพระนี่ท่านก็บิณฑบาตนะเวลาพระบิณฑบาตนี่ท่านไม่ได้บิณฑบาตรับเฉพาะข้าวปลาอาหารที่จะเป็นสิ่งยังชีพของตัวท่านนะเราก็มีธรรมเนียมนะบิณฑบาตให้ญาติโยมเนี่ยทิ้งสิ่งที่ไม่ดี บางทีก็เขียนเป็นกระดาษใส่บา่าต่อไปนี้เนี่ยฉันจะเลิกนิสยัยนี้แล้วนิสยัยติดอใบมุนิสยัยติดการพ น, นันฉันจะเลิกเหล้าแล้วฉันจะเลิกยาฉันจะเลิกมีกิก๊กหรือว่าบางทีคิดที่จะให้อาภัยไม่โกรธไม่แค้นไม่พยาบาทคนนั้นคนนี้อันนี้เนี่ยถ้ามา ส่งมานะให้พระเพื่อเป็นเครื่องย้าเตือนว่าเนี่ยฉันจะเลิกสิ่งเหล่านี้ให้ได้ฉันจะลดละสิ่งแย่ๆแบบนี้ให้ได้เนี่ยอันนี้จะดีกว่านะแล้วก็ไม่จาเป็นต้องมาใส่เขียนใส่บายก็ได้น้อมใจนึกส่งมาที่วัดนะด้วยความตั้งใจว่าฉันจะเลิกพฤติกรรมแบบนี้ดีกว่า แล้วนสัยแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดไม่ควรจะติดตั้งแต่แรกนะเพราะมันมีแต่โทษแปลกนะคนเราเนี่ยเวลามือเราเนี่ยถือขยะเราจะรีบทิ้งทันทีเลยเราดื่มน้ำเสร็จนะ่ะจนหมดขวดขวดน้ำนั้นกลายเป็นขยะทันทีหรือว่าดื่มนมกล่องนม น้ำผลไม้ก็ดื่มเสร็จเนี่ยไอ้ ก, กล่องน้ำก็กลายเป็นขยะทันทีทันทีที่คนรู้ว่าเนี่ยกําลังถือขยะอยู่ในมือนะมันก็อยากทิ้งทันทีเลยนะจงกระทั่งสร้างปัญหาเพราะว่าไปโยนข้างถนนนะถนนหน้าวัดเหล่านี้นี่ตามทางนี้ก็ริมทางนี้ก็มีขยะเยอะเลยขวดพลาสติก กล่องนมกล่องน้ำผลไม้หรือว่าถุงพลาสติกเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันควรจะอยู่ในที่ในทางนะันคือถังขยะไม่ใช่อยู่ข้างทางแต่ทำไมมันอยู่ข้างทางนะเพราะว่าคนเราเนี่ย ท, ทันทีที่ถือขยะอยู่ในมือเนี่ยนะมันจะรีบทิ้งเลยนะหลายคนเนี่ยหักห้ามใจไม่ได้แทนที่จะเก็บไว้ จนกระทั่งเห็นถังขยะแล้วก็หย่อนใส่ถังขยะไม่อดรนทนไม่ได้นะรีบทิ้งทันทีเลยจนกลายเป็นปัญหานะไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะทุกคนแห่งเลยแม้กระทั่งในมาวิทยาลัยโรงเรียนก็มีขยะที่ทิ้งเกลื่อนกลาดแทนที่จะอยู่ในถังขยะเพราะอะไรนะเพราะว่ามือเนี่ยนะมันไม่อยากนะจะถือถังขยะ ไม่อยากจะถือขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกขวดแก้วกล่องนมกล่องน้าผลไม้ถุงพลาสติกไอ้ตอนที่ยังไม่เป็นขยะนี่โทนุถนอมมากเลยนะทนุถนอมมากนะซื้อกาแฟมาเขาใส่ถ้วยพลาสติกนะประคองอย่างดีเลยนะแต่พอดื่มกาแฟดื่มชาหมดนี่ ถ้วนั้นกลายเป็นขยะทันทีพอเป็นขยะนี่รีบทิ้งเลยถ้าใจเราเนี่ยทําอย่างมือบ้างก็ดีนะอะไรที่เป็นขยะของใจเนี่ยรีบทิ้งทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดความเครียดความเศร้าวรวมทั้งนิสัยพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นความยึดติดในอบายามุขรีบทิ้งทันทีว่าถ้าเป็นอย่างนี้ได้นี่ชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญแต่ว่าทําไมเราถึงหวงแหนเอาไวน้นะ ทางนางดมันก็เป็นโทษต่อจิตใจฝึกเอาไว้บ้างนะฝึกปล่อยฝึกว่างฝึกสละนะสิ่งที่ไม่เดียวไปจากใจถ้ายัางทิ้งไม่ได้ก็เอามาขอให้พระช่วยนะมีพิธิกรรมบางอย่างที่จะช่วยทำให้ลดละสลัดทิ้งสิ่งเหล่า น, นี้ไดนะ้เช่นการให้พระการที่ใส่บาตรพระเหมือนกับว่าบินธบาตนะพระท่านบินธบาตก็สลัดทิ้งสิ่งนั้นนะ ออกไปจากใจออกไปจากชีวิตอันนี้เนี่ยจะทำใหนะ้เกิดความปร่งโรงความสงบเย็นนะในจิตใจได้